ควาสงสารโลกก็คือความทุกข์ความที่น่าคิดถึงของสารโลกนั่นเกิดเป็นข้ามเป็นข่าวแต่สงสาสงสารที่มันเกิดกับตัวของมันเกิดอยู่ตลอดเวลาสงสารนี่ใครก็มีใครก็เกิดเพาะกติกนั่นก็อยู่กับธาตุขันธ์ อยู่รับติดใจียว่ขาท่าเขาขันคือการเส็บไข้ไดโดยตัวตัวหัวตัวร้อนวุ่ปรการต่างๆมันเีก็สงครามหนึง่งถ้ายาเขาไปปราบาถ้ายาถ่กไมันก็หายยาไม่ถูกงมันก็ตายนี่คือสงครามน่สงครามท่าขัน สงครามโลกมันคือเรื่องการหลังขันเรืทำลายสมบัติเงินทองต่ามๆทำลายจิตใจสงครามสงครามภายในก็จะแต่าาระหว่ที่เลือกระจานี้เป็นเรื่งทำนองเดียวกันก็ทำลายจิตใจและทำลายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนอีเช้นเดียวกันนี่ถ้นไม่ยั้งกัสงครามโลกมันก็ไม่เกิดสงครามเจ้าของมันก็ไม่เกิด จำนวนที่ให้เกิดสงครามคุที่เลสนี่มันมีมากมันลุกลามทั้งมากทั้งอะไรมันก็แสดงมาให้โราไปเห็นแท้จริถ้ามันสุ่มอยู่เพียงในมันก็แสดงอยู่ภายในฐานของในจิตในใจของแต่ละคนละคนจำนวนนี้ต้องเป็นเรืงของสองครามนั้แต่ว่าฟังว่าสงคราม ม, มีการต่อสู้กันถ้าเป็นเรื่องของสงคราม ในถังเล่านี้นิดพอสักหน้าได้ซึ่งความเปิดใข้โด้ ย, ยกวดตาปวดขึ้นมาก็เอาตาเข้าไปแก้ไขลูกกราบไปเรียกว่ามีทั้งมีการต่อสู้ขันเขาเรียกว่าสงศักดในระหว่างใจระหว่างใจตะจกี้เด็กนี่ถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขไมมีการทำละกันเลยเขาเรียกว่าไม่มีผู้ใดที่จะต่อสู้ก็ต้องปล่อยให้กิเลสแยกย่ำทําลายอยู่เรื่อยๆ ไม่มีคุัหมายปลายทางไม่มีที่จุดจุดกองทุกขึ้น่มีอในใจของสารโลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างมากเพระนั่งขานตุปฏิบัติธรรมะจึงต้องดิเด่นขวัญขวายในอันที่จะแก้สิ่งที่เป็นพิษภัยแก่จิตใจทั้งตนที่เองบางลงไปการแก้ไขนี้เรียกว่าการต่อสู้หรือเรียกประสงค์ถามก็ได้คือเราโลกมีทางต่อสู้กัน ขณะใดหรืเวลาใดวันใดกิเลสชนะเราเรากอ ย, ยอมผลทุกข์มานภายในใจิตใจพชนะเราก็มีความสักผ่นกิดกิเลสหมอกไปช่วการช่เวลาเรามีวามสะดวกสบายใจนเรียกการชํ้ระนี่เรียการต่อสู้กันโดวยวิธีการต่งางๆเช่นเดินเป็นกลมนักสมา่ิทอนมาแก้ขทางสติกั ญ, ญา อุบายขอเราเท่ารู้เท่าันกับกิเลสมันก็ระมัดระงับดับลงไปเป็นอนัตตาถ้าอบายไม่ทันมันก็ทเราให้รับความลบากอบายที่จะสู้กับกิเลสก็คือปติปัญญาสบียนก็คือความภาคเพลยนเป็นขน้าหนย ความอุตสา์พยายามความอดความทนหนักก็เอ า, บาเบาก็สู้ในถอยมีวามเสเบียงเป็นกำลังสติปัญญาเป็นเครื่องมือคบหนักที่เล็ก้างหลายเบาบางจากติดใจท้ายที่มีความเย่มเย็นเป็นสุดมีเสื่อการต่อสู้กันระหว่างที่เลส ก, กับทัง ถ้ามีการต่อสู้กันก็ต้องมีการแท้การชนะการถ้ามีแม้การต่อสู้กันหมอกลากไปเลยก็เรียกว่ายอมอย่างลาบความทุกที่จะเกิดขึ้นมันก็นไม่มีมีแต่ความทุกขเพิ่มเกิดขึ้นจากหน้ามจของเจดลย์่ยายเดียวแต่ถ้ามีการต่อสู้กันแม้จะรับความลำบากลำบนในการต่อสู้เส้นเดีวต่อขรรคในสงครามก็าตายเขังพอมีทางที่จะรับชัยชนะ เป็นพักๆไปมีความสุขความสบายใจบ้างแรงะของพวกเราคิดทางก็ดีทำมังสังคังก็ดีผ่านการสงสามมาแล้วทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ลดสงสารหกแล้รทำสาทงชยลิ้นจากฏขึ้นมาเป็นทำมังสนังขัดขันแก่พวกเราได้สงสาวกต่างองค์ก็ต่างเข้าสู่สงสามตั้งแต่วันอุ้งทั้หมด ที่เริ่มแรกตั้งตอยู่ในแคร า, าดเย่เรื่องมีพัน ม, มุ่งมั่นต่ออัดต่อทางต่อพุทธปฏิบัติจนถึงก็ได้ออกบวดในพุทธศาสนาและตั้งหนาบำเกินตนเพื่อธัรมะพิเรยกิกราการพิเรศซึ่งมีพานในใจไมหมดแต่โดยลาดับ้ำดับในสนามรบคือความเพียรซึ่งมีอยู่ในสานที่ที่หนึ่มีจะอยู่ในฐานที่ต่างๆอาการต่างๆ ทิยาบบต่างๆเป็นใป่าในเขาตนไม้ชาอรป่าอะไรก็แล้วแต่จะเห็นวเป็นที่เหมาะสมของการพุ่งชิงชยกับี่เรศแต่ละองค์ะองค์ที่จะพึนเลือกเส้นหาเอาตามอัธยาศัยของตนวิธีก็คือสติปัญญามีความเท่าเทียเป็นสนับสนนอยู่ตลอดมาจึงได้ปรากฏเป็นทั้งขังพนังภาามิคือผู้ชนะในสงครามระหว่างจิ ขับธรรมรู้ระหว่างพิโลกับธรรมได้คลา ง, งมรงมุสุขเป็นภารในิต ใ, ใจปรากฏเป็นตถณนะที่สามขึ้นมาว่าสังขังสถานะสามทั้งสา <c oughs> มนสถานะนี้ได้ผ่านงสงครามมาแล้วอย่างเต็มที่จึงไม่รับสจานะเราผู้เป็นเทท บ, ษาาษบุษจัดไม่พลาดเข้าสู่งสงครามเลยนั่นนี่จึยอมแพ้อย่างราบไปตลอดเวลานั้น คำว่าพุทธวิสัชนันก็มีความหมายอะไรแต่นเพื่ให้ความหมายคําว่าพุทธวิสัชน์ได้แต่ลกท้าหล่อพอของพระพุทธเจ้าให้เด่นขึ้นก็ต้องมีการกดพุทธฏิมนานดังที่เราทั้งหลายมาบำเพ็ญกันในเวลานี้การมาถึงสถานที่บำเพ็ญ น, นีใ้ใครก็ต้องทราบว่าไม่ใช่สถานที่จะขึ้นสู่วิมานตามโลกของสมมตินิยงกันก็มาถึงสถานที่ลําบากทรมาน ให้เหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนเราสะดวกสบาย ท, ทุกสิ่งทุกอย่าง น, นมันเป็นไปไม่ได้ป่าในบ้านเราก็ไม่มีมันอยู่ในป่าตามันเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆไม่ก็เลยน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ลราจะกิจารณทุกสิ่งที่อย่างนี้ถือว่ามันขาดแคลนเป็นาทางถนนแต่เราก็ไม่เห็นว่าสิ่งอันนี้นเป็นสิ่งที่ลำบากภายในจิตใจของเราเราตั้งนาปรฏศิกปฏิบัติ ความจัดท right right? the ี่เล็กซึ่งมีอยู่ภาในใจเราด้วยความมึนจนมันตึด้วยความโผพอใจถือว่าเราดำเนินตามวาระบัติของพระพุทธเจ้าเผื่อเราเป็นผู้กำลังรบสงครามระหว่างที่เล็กับทังโดยถือใจเป็นสนามลบมีอยู่ที่ใจนี้ทั้งสองอย่างทังก็มีอยู่ที่ใจที่เล็กก็มีอยู่ที่ใจการรบความตึงลบที่มี่ก็ฉะนั้นในขณะที่ลบพุ่งทิงชากับที่เล็ก จิตใลเาจึงมีความรู้สึกว่าเป็นคุกมีความลําบากเป็นธรรมดาเพราะเป็นสนามรบของพิเดษกับธรรมซึ่งรบกันอยู่ในสถานที่นี้เรายอมรับในเรื่องความลําบากลาบนผลที่จะเกิดขึ้นจากความลําบากเพราะความภาพเปลี่ยนโดยการรบกับพิเดษนี้ก็คือความสุขกายสบายใจของเรในวาร ะ, ะต่อไปเมื่อ <c oughs> มีความท้อแท้ อ่อนแอเกิดขึ้นมาล้วมีความราะถอมีความอิจฉาราใจต่อความภาคเทียนที่จะก้าวไปโดยลำบาบเพื่อความเริญทางด้าดจิตใจในรอคุณจะเล็งถ <c oughs> ึงทงดังบรพเทร์เ้าท่านยกไว้ในแทรซุกว่าจิตตโสขว่าหรืออานเดรุขโมเรเควากุ่นญาตาเลวิชิควุเงื่อเธอก็้สอนต์ท่าเมื่อเธอทั้งหล เราอยู่ในยุคขโมยโลกไม้ก็ตามในเรือนร่างก็ตามหาก็ามีความป่าความคัวเกิดขึ้นคุณฤทธิ์ถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นบรมณา์าสัตยดาเข้ามาสนิดติดแนบอยู่กับใจและภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปด้วยความตัวที่เกิดบุพพานในจิตใจนั้นก็จะค่อยเบาหาไปทันั้นนึกเลยก็จะฮะไอ เ ร, รยาทะมันก็จะรู้ฮะถ้าทะพทัทงเ ร, รยาท ะ, ะาถ้าว่าจะรู้ถึงบุพเทเ่้าความกล่อภัยทั้งหลายนั้นดังไมนหายไปขอให้คุณรถถู้ถึงถ้าทำขึ้นแล้วภัยทั้งหลายจะละไปคือความเกลียดที่มีภายในจิตใจ หากรเราถึงมาทำยังไม่มหายไปแนละ้วคือได้ถึงก็คงถึงแล้วภัยทั้นหลายจะหายไปอันนี้เป็นหลักยึดของใจที่จะให้เกิดชัยชนะที่จะให้เกิดความมาั่นใจในทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักในเมื่ออยู่ในสถานที่เปลี่ยวเช่นด้วยขอมือเงื่อนไม้ริเรียนว่าในป่าในเขาที่ใดก็ตามถึงถือหลักถือพระพุทธ้าพระธรรมพระสงฆ์ในชาติชาติใดก็ตามเป็นหลักภายในติดใจ ปกติทั้งหลายจะมีภัยชนะความหวาดกลัวทั้งหลายจําไม่เข้ามาราดีใจดีใจแล้วจะเห็นภัยชนะไปโดยระดับรนักได้น้นเป็นพระโอวาสของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนสร้างในครั้งพุทธกาลครั้งพุทกาลกับครั้งนี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเราก็คือพุทธบริษัทซึ่งเป็นคนเชื่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลยิ่งที่ให้กลัวคำครัวคำ ท่นถึงมันหมายต่างๆ ไ, ได้แต่ที่เด็กซึ่งก็มีอยู่ภายใน จ, จิตใจเช่นเดียวกันกับกกท่างพุทธกรทารการในรถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมปสงค์ซึ่งเป็นตนัฒน์องค์รัตรัตน์ไตรอันเดียวกันจนตรงการเหมาะสมตลอดมาจนกระทงปัจจุบันเราอยู่ในสถาน ท, ที่ใดหากว่าเกิดความาท อ, อแฉลอยขึ้นมาให้เลือกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ทรงดาเนินมา ท่านดำเนินอย่างไรท่านถึงได้เป็นศาสตราดําเนินด้วยความท่าแท่าดนฤทธาถอยอย่างเรานี้ถือดําเนินแบบไหนเราจป็นฤทธิอย่างนี้เสมอเมื่อได้เอาท่านผู้ดีมาเป็นเครือฤทธิ์อีกครัเราย่อมขึ้นหน้าลทธิ์คอยตามนั้นนายพิเรศดูความท่าแท่าแต่มันถูกลากลงไปเมื่อเลาลถึงพระธรรมพระธรรมถนัะเป็นของกระเสิฐเลิศโลกความขี้เกียจอ่อนแตอความเท้าถอยเรานี้เป็นของกระสริฐหรือไม่เราทำไมจึง มีคล้อยตามมีเชือถือเนี้ยพอใจกับความที่เกียจมากง่ายความแดนนี่นักหนาหาก็ราถึางวนี้เป็นขรงเกษตรแล้วโลกที่ติมไปด้กยนี้ทําไมถึงไม่เกษตรกันแล้วเราควรจะยึดอันใดเป็นหลักเป็นควาเท็จเชียงกันพราควรจะปล่อยอันใดยึดกันไหนมื่อเหตุผลพร้อมแล้วเราก็ต้องปล่อยในทางความก็แค่อ่อนแรงยึดเอาหลักความเป้นแสง ก็จะเข้าถึงธรรมที่่าเป็นของประเสริฐได้สังขารสนังกาฉานี้ของพวกเราท่านทออแท่อันียรเรืความประแทอเดียรนี้กับสังขารสนังกาฉานินี่เข้ากันได้ไ้มความกระแทอเดีเที่ของที่เดลก็คือเป็นเป็นเรื่องทําลายตาระซึ่จะมีภายในจิตงตัให้มีขึ้นไม่ได้มีเป็นเครื่องเตือนตัวเองท่ามสอนตัวเองรู้ซักตันระหว่างที่เหลือกับธรรม พิเดับสติปัญญาความโง่เขาาคือพิเดชแต่มันขนาดขนาดสองของนขดตัวมันเองโง่คนที่จะเชื่อมันก็โง่คนที่เชื่อมันก็อยากคนที่เชื่อมันก็ขี้เกลียดขวันแอะไข่หลังแต่ถ้าคนที่เชื่อทำก็แก้สิงอันนี้ออกได้ก็ขยับตัว ข, ขึ้นไปดูลำดับลำดับเพราะฉะนั้นการเชื่อทำเป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีคุณค่า ม, มีสาระขึ้นไปโดยลำดับ การที่มาทำต้องมีความลำบากนั่ตั้งแต่ทั้งพุทธกาลมาจนกระั่งปัจจุบันนี้เดินทางสายเดียวกันเพราะการสู้รบกับกิเลสเราจะความกระดวกสบายมาจากที่ไหนเน่ยแต่ทำงานธรรมดาก็ยังลำบากมีการสู้กับกิเลสจึงเป็นสิ่งที่เหนียวแย่นที่สุดภายในจิตใจและเป็นสิ่งที่อยู่เหนือจิตใจของคนมานานเพรเป็นศาสตร์การของวัตถุนี้มาตรงไม่ได้ขีดกับขิดกันในใจเรื่องหนึ่งซึ่นแล้วทั้งแต่มีสิ่งอันนี้เป็นเครื่องปกครอง และเราจะกำจัดตัจเตาหรือชำระออกง่ายอย่างง่ายดายอย่างนี้มั น, ป น, นมเป็นไปไม่หน้าเมื่อเป็นชนนจงงึงต้องตะเจียบส ก, กายจึงต้องพยายามขุกกําลังความสามารถทั้งปฏิปัญญาทั้งความภาคเยนันด้านต่างๆที่จะให้เป็นไปตามอาัดตามความเครียดสงอันนี้ก็เลยลดน้อยถอยลงไปความสุกกายสบายใจใจปรากฏขึ้นแต่เราผู้ดํ า, นาเนินตามหลักแห่งพิชเวสัยในเป็นหลักใหญ่ที่เราจะพึ่งมันเลย แห้เราเระลกไว้เสมอในการปฏิบัติธรรมเพราะกิเลสนั้นคอยกระอยู่ตลอดเวลานัน่งนอนยืนเดินดูที่พาาิยาบทใดก็ตามกิเลสจะต้องคอยกระตุ้ตามอุบายของกิเลสถ้าเราผิดธรรมขึ้นมาทำเขาจะต้องคล้อยตามกิเลสและหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราได้อาศัยสติอยู่เสมออะไรก็ะติดขึ้นมาเป็นสิ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วก็ทราเป็นเรื่องของธรรมเราก็ทราบ ข้อมีทางจะแก้ไขที่ดัแแดแปลงลงไปได้พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านสมบุกสมบันลำบากกลับกลมาจนสิ้นแค่ชีวิตจะไปไม่ได้คุณแล้ว่าเป็นพุธทธังธรรมังสังฆังปัญญามาสามีของพวกเรานี่เราพูดํำเนินตามท่านคุณก็อยู่ในแนรวรบเลิกกันก็ต้องมีคําลําบากลาบด บางครั้งบางคราวต้องเอาชีวิตเข้าประกันเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายแต่สิ่งที่มุ่งหมายนั้นยังไงต้องให้ติดมือไม่ติดมือก็ให้ตายกับสนามโลกไม่ตายให้ชน ะ, ะบางครั้งต้องเป็นอย่างนั้นสาหรับผู้ต้องการทําอันตรรศมาครองใจถ้าเอาความอ่อนแอมาเป็นหลักเป็นเไปมาเป็นเครื่องยึดซึ่งเคยเป็นอยู่แล้วนั่นก็เป็นอย่างเร า, ราทาั้งท่านไม่ไ้มีใครผิดแกิดจากใครเลย เพราะส่อย่างนี้มันมีเหมือนกันมันเป็นของเหมือนกันคนจึงเป็นเหมือนเหมือนกันไม่มีนนใครดียิ่งกว่ากันไปไา้ถ้าไม่แก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ต่างๆนี้ออกไปเราจะค่อยเด็กขึ้นไปดลเรื่อยๆจุดนี้อยู่กับตัวคือความรู้รู้อยู่กับตัวที่เราก็แทกอยู่กับความรู้นี้แล้วคอยกระทิบของามรู้นี้ให้เป็นไปต่างๆในแง่ที่จะเป็นไปต่างๆเสมอถ้าจิตปัญญาเป็นเครื่อง กำจัดเป็นเครื Smooth ่องตั Dance, <Jonathan> ้งทางจิดฝวามสิ่งอย่างนี้ที่เห็นว่าไม่ดีให้ผ่านออกไปหรือให้หลุดลอยออกไปจิตใจจะมีความเติดสว่างกระจ่างแจ้งโดยลำหนักลำหนักมองถึงอัดเท็จทำมองเห็นทุกเป็นทุกมองเห็นสุขเป็นสุขมองเห็นสาระเป็นสาระมองเห็สิ่งที่ได้สาระขัดขอ้นดแน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ได้สาระแล้วดําเนินตามสิ่งที่ดีที่ชอบที่ถึงควรตามธรรมนั้นเราก็จะไปพบเพื่อเขื่อนความสุข ทำไปเลยภายในจิตใจของเรามีตันหลักใหญ่ของการประพฤติธรรมท่านเคยกับพฤติมาอย่างนี้เราก็ต้องประพฤติอย่างนี้เพราะทางดําเนินเพื่ออะไรเพื่อทก็ต้องย่ำย่าทำลายหรือปากฝืนกิเลสหรือรบกับกิเลสคําว่ากิเลสก็มือนกับขวากํานามต้องคอยทิ้นแทงเราอยู่เสมอการแก้ไขกิเลสเป็นการลําบากบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ควนจะถือว่าเป็นอุปสรค ธรรมะไม่ลืน่นไปความตายนั้นหน่ะฝางหน้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนเราอยู่ด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ก็ล่วนแล้วทั้งแต่ความตายเต็มตัวด้วยกันมีใครยิ่งหยิ่งกว่ากันไม่มีความตายเป็นร่างกายมีแล้วทุกวินาทีที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าจวนไปทุกวินาทีจวเนเราเนนาทีจวนเขาเป็นชั่วโมง จ่นเลี่มันกินเข้าไปไเรื่อยๆเป็นนาทีเป็น่ยืดๆนาทีแล้วเป็นนาทีแล้วเป็นชั่วโมงแล้วแับเป็นวันเป็นเดือนเข้าไปเข้าไปจนถึงจุดแห่งความต่ายแล้วมันก็ตายได้ด้วยค่ะน่ะอยู่ใยการขนาดไห น, นจะรักจะชอบขนาดไห น, นความตายมันก็ไม่ได้ไว้หน้าใครขนาดนั้นนะถึงการแน่ช่างพักระจากกันเป็นธรรมดา พระพระพุทธเจ้างสอนว่าสตเพ่ส์าว่าสัตทั้งหลายที่มีเพื่อนทุกข์ก็จะเป็นเพื่อนทุกข์ก็จะสุดท้ายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ยเวลาหุนตุก็จะได้ปฏิบัต้าเยนฤทธิ์มันดะมีเยนแจกกันในการอเมราประชาหุนตุก็จได้ปฏิบัติอาชน้าอาฆาตอย่าได้เบียดเบียนกันสเนคาหุนตุสขีตนจารยหารันตุเพื่อนำตนสูความสุขโดยทั่วกันเธิดนี่กาสอนให้สัตว์ที่มี เป็นเ พ, พื่อนทุกกฎแจกจิตใจด้วยกันนั่นให้เออห็นอกเห็นใจกันมันมีความเมตตาสงสารจริงกานณ์กันเพราะยังไงอย่างไางไรเราก็มันเหมือนกับตัดที่เขาตีกราเอาไว้แล้วน่ะเห็นเขาใส่รถไปก็ดีไล่ประการทั้งทางถานนทัทางก็ดีตีกลาไว้แล้วโอ้ตัดวัว น, น, น, นี้เป็นวันนั้นตัดวันนี้เป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยบอกไปแล้วแล้วก็ตีกลามาเรื่อยๆเพราะอารมณ์ฆ่าตัด แต่เรามันก็ตีกลาวไว้แล้วจะว่าไงคนนี้วันนั้นคนนั้นเดือนนั้นคนนั้นตีนั้นตีกลาวไว้หมดเป็นเตียงวากาหนี้ไม่ได้เหมือนอย่างกลาวเพราะตีกับบัวกับหมูกับอะไรอย่างนั้นอย่างไง ม, มันก็เป็นกลาวหมดทั้งตัวอยู่แล้วแ่ะเราจรึงไม่ควรจะกุมัดดิเดนควนค้ายบำเพ็ญเสียตั้งแต่บัดนี้ <c oughs> งานคุดีเป็นสุมัติของเราร่างกายนี่นาาจะเป็นสุมัติของพญามาตุลาคือความแต่ความตายก็ปล่อยเข้าไปจะไปเสียดายจะเป็นหัว <c oughs> หวัวของเขาเป็นความลำบากลาบนตนเหมือนกาวปลอยตามความเป็นจริงนั้นเป็นความสะดวกสบายสมกับผู้เรียนทำรู้ตามประจินปล่อยแบบลงตางสภาพแห่งโลกอ น, นิจจังทุกขังนาตาในตัวของเรานี้มันเป็นเป็นโลกอง น, นิจจังทุกขังนาตาปลอยลงตามสภาพของเขาด้วยสติอัญญาที่พิจารณาเห็นควรแล้วจิตใจเราก็จะปล่อยวางไม่ต้ อ, อยึดสมเด็จกับภาระอันหนักซึ่งเป็นสมบัติของโลกไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังนาตาจิต ที่เรียนรู้รอบตัวนี้แล้วจิตก็าม่หนักจิตจะมีความเบาสว่างกาะจ่างแจ้งสลัดปัดทิ้งได้ทั้งหมดจิตก็เป็นยมุตคือความหลุดพ้นจากโลกแห่งไตรนักนั่นแหละทันเรียกว่านิพพานแหมเรียกว่าอะไรก็ได้มาถึงขั้นนี้แล้วสบายทั้น้วขวัทุกทุท่านไปถือปฏิบัติวันนี้ื่อสุดเหนื่อยเพียเหตุในจอะไรนะผมมันท่านไม่ทันไม่ันทันซุดอันทนั้น ก็มีเพื่อแต่จะให้หิ้หัวอยากอะไรไม่อยากนะทีเคยเเอาละข อ, อริษจแทนนะรักลังและใส่ตรงทองด้วยพุหัดมรยยะลิง <ๆ S 1> <c oughs> พุชหัตรยลิงฟ <c oughs> ังเรอว่าคหัระลิงพูดอะไรอะไรก็ลิงฟังอารมลิง นี่ไงละมีเราจะโดนบ้างไหมน่าจะไปปล่อยกวางั้นพอก็ปล่อยแล้วบอไอเหียนตัวนี้อะถ้าป่อยก็ปล่อยจะสูงเรียนพอปล่อยแล้วนตัวนี้โดดลงน้าโดดลงน้ําล้ยุ่งไปหมดแ้เนี้ยทาไมมันต้อง pues เรียน้งหาก็เหื่อลงไปเล่นน้กันเี้ย่ะเราคงม่ไเล่นเหมือนกันแหละว่างั้น แต่มันจัเป like ็นมาอยู่กับมนุษย์งานไม่ทราบหมอะไรๆฮะเราเรายุ่งกันหมดเราไม่สกปรกเราต้องมาล้างใหม่ทุกวันบอกเลยเราลุกจะเข้ามูอเพื่อนได้ว่าฟังดีนะอ้าเออบ้างเยนี่มันเป็นเรื่องหนึ่งของลิงนะเป็นเรื่องหนึ่งของธรรมอยู่กับอย่างที่พูดีนี้เข้าใจไหมอืมสกปรกุ่งลอกอืมถ้าธรรมดาแล้วจะต้องเห็นล้างมันมีท้องวัางเหนือยล้างอ่งหมัอนจะลิงมันล้างแบบมันอย่างหนึ่งล้างแบบนึงเน่ย่งนั้น ยัไดูดูสิเปี่ยนฝังกันหังหรอเป็นไง <laughs> หมดแล้วอะไรนิทานการดกตกไปแล้วยื่น อ, อะไรกระซิบขึ้นมาเหมือนกับคนพูดอยู่ภาย้นอยากทานนิทานท่านเป็นข้อเือเสือประดานี้ทั้งข้างหน้าข้างหลัง นี่กําลังขาดเนื้อกำลังขาดเือเสือทั้งสองตัวนี้มันเคยจิ้มคนแล้วมันรู้วิธีจินคนนะจะให้ระวังตรงไหนบากมันเข้าค้องไปเนี่ยเขาบอกได้เสอพวกนี้มันเคยจินคนเป็นประจำแล้วเขาจะปิดประกาศปากลงห้ามตั้งตะวันเพี่ยงตัง้งแต่ตะาันเพี้ยงแล้วห้ามท่านห้าม ผ, ผ่านตรงนี้ ห้ามพบไปผ่านตรงนี้คือถ้าจะไปทางอื่นนั่นะเขาห้ามแต่สนหรับชาวบ้านเขาก็รู้แล้วสิเพคะกินเท้าไอ้นี่เขาก็เป็นอันหนึ่งนั่นผู้ที่จะเดินทางตามทาง็นกระทั่งถลุไปที่อื่นเขาปิดประกาศห้ามนนตะวันเที่ยงแล้วห้ามไปยึต่เป็นตะัเที่ยงวันไปจนทั่งถึงกลางคืนนั่นแหละมันจะไม่ถลุตงนี้น้เสือพวกนี้มันเคยหาเป็นคนกระจ เวลากระซุ้มเข้ามาอันนี้ครับเป็นการชอบนั่ น, น, นให้ตรงด้วยเนี่ยพอเสื้อมันช่างมากจริงวะนั่นท่านตกรอบเนี่ยอ่รารอโคง้ไงได้ยังไงละมันอยู่วะ จนก่อว่ามันเข้าพราะเคยเข้าอยู่แล้วจิตเนี่ยไม่มีอะไรพุ่งมาพุ่ตัวเองตัวเองก็มัมท น, ทนทําภ า, นนานนยใน น, น, นนั่นกำหนดเลยทันทีคือมันจนเก่อแล้วเท่ า, น, น, า, า, น, น, ทา น, นั้นก่อฉากฉกครั้นี้ก็ฉากฉากวันี้เท่านันก็ฉากมันมันจะให้สภาะพร้อมๆกันน่ะ เงินกระเทือกเทพมนรู้แหละคือเทพมันดานใจก็กได้มัมนหลายอย่างนะพอเห็นธาเป็นมุมจีนขั้นหมดจีนคท่านจ่อยหมดไอโยทางโนนทงนี้ท่านจ่อยหมดติดเข้าพอกาหนดนี่ติดก็ขยับลงไปเลย ท, ทันทีจำยังไม่ถึงที่เรนะอะพขยับลงไปแล้วก็พุ่ขึ้นมานัางที่ตอนนั้น หัวเธือ ท, ทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องกลัวหนักบองที่เออนี่ยที่เป็นเรื่องราชการเนี่ะเสือทําอะไรไม่ได้ไม่ต้องกลัวเพราะว่างกำลังเพราะว่าเกำลังพลลงปุ๊บครานี้ฐานเงี่ยหมดเลยมันมีอะไรทั้งสิ้นนะคือความรุนแรงอารมณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องสมมุติต่างๆภายนอกไม่มีอะไรทั้งหมดแม้แต่ราาตา่างกายนี่เลยตาเขาเปิดหลายชั่วโมง เรืองคาก็หายเงีในความรู้สึกไม่มีอะไรเลยเวลามันจมก่อมันลงได้เป็นที่นน <c oughs> เนระทั่งจิมันขอนึ่งาก็ไม่ช่แค่กี่ชั่วโมงไปเดินขาที่โคมไฟที่หิ้วอย่นี้มันก็มีไฟอนั้นถ้าพ่ให้เดินทางด้ว น, น, น, นี่นังยืนหิ้วอย่งนั้นกก็แบบบาก็จะพายบาปบาปมันก็แบบ ก, กด ก็อยู่อย e ่งนั้นเดินยืนอยู่อยานั um, up, ้นธรรมดาเนีอันนี้ก็นี่เลยแล้วจินก็เลี้ยงไปอยู่นั้นน่ะมันไม่พาหกพาล้มไปไหเลยฮะยืนเอยร์าเอยราบอยู่นเยมือข้นเลยคิดดูสิไม่หกไม่ล้มทั้งๆงจมรู้สุกตัวเลยขนาดนั้นมันความความรู้สึกตัวนั้นน่ะว่าตัวนีน่ะมันหมดเพราะั้นเถอะมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเสือว่าอะไรมันหมดแม้แต่ร่าายที่เป็นส่วนเฉพาะตนี้งมันก็หมดในความรู้สึกนะมันยังยนไดด ไม่มนั่งท่านนั่งภาวนาเอาเพราะ่าท่านมีขันธตสมบัติเจ็ดวันนี้ขันธทตัสมบัติเจ็นวันท่านล้มเมื่อไหร่ท่านไม่ได้ล้มไมไ่มีนะอันนี้ก็ทรงตัวตามธรรมชาติของมันนั้งกระทรงตามธรรมชาติพอผ่ า, านมาแล้นมารู้สึกตัวอพอรู้สึกตัวแล้วก็เ่องอะไรอะไรเป็ปกติ งเลยนั่งลงแล้วเอาไม้ไม้ตีฟางมาจุจุกเียนจุดไงแล้วมองไไหนเห็เือมตักตัวฟงไม่อะไรรู้นย่างแต่อาเังที่ตรงขึ้นดึงเงี้นิถ้าจุดไปเลแก็มองน้นมองนี้ ทีนี้ไอ้สือดีมันเคยกลัวแต่ก่อนมันเลยกลับเป็นอะไรทั้งสุดมันพูดไม่ถูกมันเป็นนึกเป็นเจ้หายเป็นอะไรอย่างซึ้งเลยแบบนั้นน่ะท่านว่าน่ะเลยอยากจะพบมันอีกที่นี่ไม่ม้แต่เสือเราอยากพบเพื่อนอยู่แล้วล่างฟังนี้นี่แหละทำแล้วเสือก็ไม่ทําอะไรได้เลยมันไม่ทําเลยไม่ใช่ปหากันไหนแล้วนี่ท่านท่านจะมันฉากตอยู่ทางก็ประมาณสองวานน่ะกลัวแค่สองวานเท่านั้นเองมันฉากตาง ฉากนี้ถากนี่คือเสือพนี่มันเคยกินคนมันรู้วิธีกินเน้ยมันต้องเข้าคร้อมกันเลยต้องมีทางหลบแก เ, เสือทำอะไรไม่ได้มันต้องกลัว